เรื่องโอกิรินีเปรตเพศหญิงหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรตร่างถูกไฟลวกเพศหญิงสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชเครือครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมฆลลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดค ร, รั้นเวลาเช้าพระมหาโมฆลลานะครองอันตรวาสุขถือบาทและจีวร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 พระลณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาตในกรุงรา ช, ชครึอกลับจากบินทบาตหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณนที่สมควรครั้นแล้วพระละณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมกขลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงรา ช, ชครือนี้ ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมกคล า, านะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็น โ, โอกิริณีเปรตเพศหญิงถูกทานเพลิงเผารอบตัวจนสุกเยิ้มหยาดน้ำไหลหยุดลงลอยในอากาศมันร้องครวญครางฝูงแรง้งนกกานกเหยี่ยว พากันโฉบอยู่ขวักไข่จิกถึงยื้ยแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมาร้องครวนครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าสัจจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าพระมหาโมคคารณนะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุญานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นโอคิรินีเปรตเพศหญิงนั้นแต่ไม่พยากรณเพราะการพยากรณนั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตหญิงตนนั้นเคยเป็นพระอ克拉เมเหสีของพระเจ้ากาลิงฆะ นางขี้หึงเอากระทะมีฐานไฟคลอกหญิงคู่แข่งเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้พระเศษกรรมที่ยังเหลือโมกขลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่ห้าสิบ